รรมบทแปลเรื่องที่168เรื่องเจ้าลิชวีข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลีประทับอยู่นะกูตาคารสาลาทรงปรารพพวกเจ้าลิชวีตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสติยาจายเตเป็นต้น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 จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูพวกเจ้าลิฉวีพวกที่ไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูเจ้าลิฉวีเหล่านี้เถิดดังนี้แล้วเสด็จเข้าสู่พระนครตอนพวกเจ้าลิฉวีวิวาทกันเพราะหญิง นครโสพินีแม้เจ้าลิชวีเหล่านั้นเมื่อไปสู่อุทยานพาหญิงนครโสพินีคนหนึ่งไปอาศัยหญิงนั้นอันความริษยาครอบงำแล้วประหารกันและกันอย่างเลือดให้ไหลนองดุดแม่น้ำครั้งนั้นพวกเจ้าพนักงาน เอาเตียงหามเจ้าลิชวีเหล่านั้นมาแล้วฝ่ายพระศัส ด, สดาทรงทำพัตกิจเสร็จแล้วก็เสด็จออกจากพระนครพวกภิกษุเห็นพวกเจ้าลิชวีอันเจ้าพนักงานนำไปอยู่อย่างนั้นจึงกราบทูลพระศัส ด, สดาว่าพระเจ้าค้าพวกเจ้าลิชวีเมื่อเช้าตรู่ประดับประดาแล้ว ออกจากพระนะครราวกับเทวดาบัดนี้อาศัยหญิงคนหนึ่งถึงความพินาศแล้วตอนพระสัทสดาตรัสโทษของความยินดีในกามพระสัทสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิด ย่อมอาศัยความยินดีนั่นเองเกิดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาหนีว่ารติยาจายเตโซโกรติยาจายเตพยังรติยาวิปปมุตตะนัติโซ โ, ซโกกุโตพยังความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดีภัย ย่อมเกิดแต่ความยินดีความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความยินดีภัยจักมีแต่ไหนตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ารติยาความว่าแต่ความยินดีในการมคุณหคือ เพราะอาศัยความยินดีในการมาคุณห้านั้นในการจบเทศนาชนเป็นนั้นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องเจ้าลิชวีจบ